ตลอดนี้ไปอริยะ 22 มกราคม 2527 ที่พุทธสถานสติยสุขอ คัวพร้อมอยู่เสมอรู้เราได้ปรับกายกรรมซึ่งๆ นั่นแหละคือเรากําลังหัดยังไม่เป็นกุศลที่ดีพร้อมอํานาจ นั่นคือได้ฝึกใจด้วยกระทําสติปัฏฐาน 4 การ เราๆธรรมะๆวิริยะภาพๆให้ดีขึ้นๆอย่าเหนื่อยหน่าย เมื่อมีการกระทําได้โดย 9 สู่นิพพานโดยหลัก เพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติมีพระพุทธเจ้าอุบัติโพชรู้ ได้กดว่า ฟังจากผู้ที่เป็นพระ คอยบอกคอยเอ่อ